อาจารย์ครับการนมัสการครับผมนั่งนอนนอนและท่านผู้ชมดูฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยแปดะครับแล้วก็ตรงกับวันอัทมีบูชาบอดีเลยครับพระอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์ไปบินฑบาตคนเยอะเป็นพิเศษไหมครับพระอาจารย์ครับเยอะหน่อยวันนี้เป็นวันพระและตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยประมาณห้าร้อยห้ารอยหนึ่ง ครับแล้วตอนบ่ายวันนี้บมีคนมาฟังธรรมประมาณสองร้อยสามสิบคนโอ้โหโอ้หน้ากุดสองร้อยสามสิบคนเลยนะครับอาจารย์ก็แน่นเลยใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับดีจังเลยคนยิ่งสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์คอาจารย์ครับแบบเป็นเป็นจังหวะมากกว่า บางทีก็มาางทีก็น้อยแล้วแต่เหตุการณ์ครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งเรื่องชื่อกายยคตาสติครับเพราะว่าอได้ยินพระอาจารย์สอนอยู่เรื่อยว่ามีความสําคัญในการที่จะบรรลุธรรมขั้นแรกเป็นความเป็นพระโสดาบันครับวันนี้ก็เลยขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ว่ากายยคตาสตินี้เราจะต้องฝึกอย่างไรและผลที่ได้จากการฝึกจะเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับกราบความเมตตาครับผม คือคำว่ากายกตาสติแต่ตรงตัวก็คือการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งกายเป็นที่เจริญสติเหมือนกับที่เราใช้พุทธานุสติพุทธานุสติเราก็ใช้พระพุทธคุณของพระพุทธญาเป็นที่ที่เจริญสติที่ตั้งสติเช่นคำํำอะไรคำพุทธอภิทอเนยเราเรียว่าพุทธานุสติเมื่อถ้าเรา ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของสติเราก็เรียกว่าอ า, า, าณาปานสติกาแปลตรงตามตัวอักษรนี่กายคตาสติก็คือการเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ที่ตั้งคือให้ให้จิตระลึกรู้อยู่กับร่างกายทุกอิรยาบุของการขึ้นไหวตั้งแต่เตินขึ้นมาจนหลับให้เป็นสติสัมปชัญญะ คือไม่ให้ใจไปที่อื่นให้เฝ้าดูร่างกายทุกยบร์ยาบอันนี้ร่างกายกำลังอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็ลังอยู่ท่านนั่ง ด, ดูแล้วพอลุกขึ้นยืนนะรู้แล้วว่าตอนนี้หน้าแปลกไยนีย่ยาบุตรจะนั่งมายืนนะพอเดินก็รู้แล้วว่ากำลังเดินคืออยู่กับร่างกายไม่ใช่เดินไปแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ทําอะไรก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายเพียงเรื่องเดียวอย่างเดียว ให้ก็ดดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่อันนี้เป็นการฝึกสติให้ใจไม่ลอยไปตามความคิดปรุงแงต่งตา่างๆถ้าเราไม่มีสติอยู่กับร่างกายแล้วเดินไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรานั่งทําอะไรเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยคือปล่อยให้ความคิดไปปล่อยให้ใจไปกับความคิดอยู่กับร่างกายไป็นภาพัฒน์คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้กลับมาดูว่าตอนนี้กาลังทํา คิดต่อแล้วกลับมาถึงนท่าที่เคคิดมากไปเดินไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้ไม่มีใช่เนี่ยแสดว่าไม่มีสติถ้ามีสติอยู่ครับกับการเดินตลอดเวลานี่จะรู้แล้วข้างหน้านมีใครบ้างมีอะไรบ้างมัจะหลบได้หลีได้ไม่ไปชนกับคนนั้นคนนี้ในเรื่องนี้คือความหมายของตัวตัวอักษรกายชะตาสติ อันนี้บรรจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติแต่มันมีต่อการปฏิบัติมันมีต่อจากนั้นนี่ไม่ใช้จะเอาแต่เฉพาะสติอย่างเดียวเริต้นต้องเจริญสติให้ได้ก่อนด้วยการใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายกำลังนั่หน้าก็อยู่กับเรื่อนั่งน่าอย่างเดียวกาลัางแปรงฟันก็อยู่กับเรื่องชาแปรงฟันอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงนั่งอือันนี้เรียกมาการมีสติของร่างกาย อันนี้ถ้าเราได้สติสัมบัติชนะแล้วเรากามามาร็มานั่งสมาธิต่อมานั่งสมาธิเพื่อทําให้ใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้เพราสิ่งที่เราต้องการก็รคือสุเบกขาที่จะได้จากการนอนของจิตนี่เวลาเรามานั่งสมาธิถ้าเราใช้กายยัตสติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ลมหายใจเข้าซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของของร่างกาย ปกติถ้าเราถ้าเราเคลื่อนไหวการดูลมหายใจมันจะยากกว่าการดูร่างกายแต่พอเรามานั่งเฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วทีนี้ไม่รู้จะไปดูไรดูร่างกายมันก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรก็เลยให้มันดูลมหายใจเข้าแทนเรียกว่าอาณาปานะสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือให้เราเรลิกเลือกอยู่กับลมเข้าลมออก เมือนกับตอนที่เราใช้กายแยกาะกันตาสติตอนที่เราเดินแต่การดูรวมนี้มันจะทําให้จิตละเอียดขึ้นสงบมากขึ้นเพราะเวลาเราร่างกายมีการเคลื่อนไหวนี้จิตต้องมีการสั่งการตลอดเวลามีการทํางานสั่งการให้ร่างกายทำโ น, น, น, น, น, น่นทํา น, นี่เดินทํารุ่นทํานี่เดินไปโน่นเดินมานี่จิตยังต้องมีการสั่งการแต่พอเราต้องการให้จิตรวมเป็นเดเป็นสมาธิเราต้อง ให้ร่างกายสงบให้ร่างกายอยู่นิ่งๆกายสงบก่อนใจถึงจะสงบได้พอเราให้ร่างกายอยู่นั่งเฉยๆเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแทนดูลมหายใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายลมเข้าลมออกลมก็เป็นธานุลงที่เป็นส่วนประกอบสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาถึงไม่ได้ไม่เป็นอวัยวะแต่มันก็อยู่ในร่างกายเราใช่ไหม อยู่ในปอดลมเข้าไปในปอดจากจากปอดมันก็เข้าไปในสายเลือดเลยสายเลือดนี่มีออกซิเจนไม่ใช่นี่ครับน่ะมีลมเข้าไปมีออกมีการบรรดาลสายเวลาที่มันสับเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนลง อ, ออกซิเจนไปทางาไปสร้างพ อ, อกเลือดอะไรก็แล้วแต่ทําเอาอากาศที่ไม่ดีออกมามันก็เป็นลม มันก็เป็นถือว่ายังเป็นกลกัต า, าสติอยู่แต่ว่าท่านเรียกมันพิเศษนะว่าเป็นอานาปนาสติคือเป็นการดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมกูกการะเรียนอนาปนาสติก็ไม่ต้องการให้ใจทํางานให้ใจเพ่งให้รู้เฉยๆไม่ให้ตามลมเข้าไม่ให้ตามลมออกเพราะถ้ามีการกระทําตามลมเข้าลมออกใจจะไม่ได้ไใจยังทางานอยู่ ร่างกายนิ่งแล้วทีนี้เราจะให้ใจนิ่งก็ให้ใจนิ่งอยู่กับที่ปลายจมูกให้ดูตรงนั้นเพราะปลายจมูกเป็นที่เข้าออกจะสัมผัสรับรู้ได้เวลาลมเข้าที่ปลายจมูกจะรับรู้ได้เวลาที่ลมออกมาจากปลายจมูกเราอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพ่งเฉยเพ่งดงถ้าเราดูอย่างต่อเ น, นื่องไม่ว่าไปคิดเรื่องนั้นไม่ว่าไปคิดเรื่องนี้ ในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะลงเข้าสู่สมาธิได้เป็นอัปปนาสมาธิหรือคาิการสมาธิซึ่องอยู่กับกำลังของสติในเบื้องต้นถ้าสติยังมีน้อยอยู่ก็จะเข้าไปได้แวบเดียู่เรียกว่างูาแลบหรือปลาแลบจิตจะลงได้แค่ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งขณะก็เรียกคาิกะคณนิก า, ขาเข้ามาจากคําว่าขณะ หนึ่งคณะคณะกะสมาธิใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ของผู้ปฏิบัติทุกคนเวลากินนมองข้างแรกนี้มันจะตั้งอยู่ไม่นานแต่มันจะทําให้เราได้สัมผัสกั บ, กบสิ่งที่มาสัจจรใจที่ไม่มีในโลกนี้ที่หาไม่ได้ในโลกนี้คือความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวง พอเราได้สัมปะจบความแบบนี้แนละ้วเราก็ติดใจเนหะมืนกับได้ของที่พิเศษเหมือนเคยขับรถเก่านะอยู่ดีๆเศรษฐีซื้อฟอร์ดลารมาให้ขับนี้ที่จะไม่ขับรถเก่านะไม่นามาไหนขับฟอร์ดลารีดีกว่าอันนี้กรรมการถ้าใครได้สัมปะจบคณิตศาสตสมาธิแล้วนะทีนี้จะไม่เอาแนะล้วโลกสิ้นเกียรถ จะไปกินไปเดินไปเที่ยวแบบว่านะั้นคนนี้ไปสัมสันที่นั่นที่นี่ไม่เอาละเปรียบเทียบกันไม่ติดอันนี้เราเป็นขั้นแรกของการที่จะนาให้เกิดความเพียรขึ้นมาทีนี้จะรู้แล้วว่างานที่เราจะต้องทำจริงก็คือการจลาจสติถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบคือเราจะปฏิบัติแบบช่วงครั้งช่วงคราวในช่วงเวลาว่างพอรู้แล้วว่า ควาสุขที่ได้จากาการสมองนิพดานไะ้นะไปทีนี้ก็จะหาเวลาหาเวลามาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเคยทํางานก็ลาออจากงานเลยรือทําไปทำ ไ, ไ, ไมยันเมื่อขี้ปัติ๋วได้มาก็ซื้อความสุขยันเล็กๆน้อยๆทานตามจมูกพินกายชื่อปุลามาเจลาสตินีน่กว่าก็จะนีคำพูดว่าคนฉลาดหาสติคนง่วงหาสตางค์ คนน้าหาหสตางเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อความสุขใช่ไหมเราไปกินไปเดินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของอะไรต่างๆคนโลภคิดว่านี่คือความสุขคนโลภก็ต้องหาสตางแต่คนฉลาดนี่รู้ว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากาะลาภยศสรรเสริญจด้จากรูปเสียงกิน่นแล้คือความสง บ, บนี้และการที่จะทําใจให้สงบได้นี่ต้องใช้สติ ยังมีที่มาของการพูดว่าคนคนคนย่อหาสตางคนจระหาสติเพ่าสติจะพาให้ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้สตางซื้อเราให้ได้เงินเดืนของมหาเศรษฐีเป็นอันดับหนึ่งของโลกเงินของอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่เทียบเท่ากับความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบได้นั่นนี่คือ พอได้สัมปัสกัสมาธิได้ความสุขจากความสงบแล้วทีนี้ไม่อยากจะได้อะไรอยากจะได้สมาธิอย่างเนี้ยทีนี้ก็จะหาเวลามาให้กับการปฏิบัติอย่างเดียวนะเบื้องตอนนี้ก็พยายามจเจริญสติให้นั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสมาธิที่แก่กล้าแล้วในอุเบกขาวเวลาออกจากสมาธิมา ใจก็ยังนิ่งยังเงย็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีกุญแจผมขึ้นมาบ้างก็ยังพอที่จะสู้มันได้ในระดับนะครี้ทีนี้ก็จะเป็นถึงเวลาที่จะต้องไปขั้นต่อไปของการเจลใจและกต า, าสติคือการไปพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นตายลักเพราะว่าการไม่เห็นตายรักนทําให้เราเกิดปัญหาความอยาก ให้ร่างกายมันอยู่กับเรานานๆไม่เจ็บไายได้ป่วยแล้วพอถ้าเกิดมันมีอะไรมากระทบมันทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายจะเจ็บนั่นจะตายมันเราจะทุกข์มากนี่เราต้องการที่จะดับความทุกข์อันเองดับความโกรธดับความกลัวความเจ็บดับความกลัวความตายการจะดับได้ที่ต้องใช้ปัญญาสมาธิอันนี้ดับได้เฉพาะช่วงที่อยู่ในสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธิตอนนั้นไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแต่พอจากสมาธิมาพาอดูร่างกายดูความเป็นจริงของร่างกายว่ามันหนึ่งมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายพอเห็นแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เลยรู้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยางไม่ตายให้ได้ ก็ต้องพิจารณาความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังนี่คือการเจัดากายคัาาตาสติระดับสมาระดับปัญญานะขั้นที่สอขั้นแรกสตินั้วเดนมาขั้นที่สองนั่งสมาธิหรือว่าอาัสนสติพอได้งสมาธิได้เวกขาแล้วทีนี้ใจก็มีกํำลังที่จะพิจารณาความจริง เราก็ดีใจแล้วม่ก็ชอบคิดถึงความตายเท่าไหรม่ก็ชอบคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเพามันคิดแล้วทําให้ใจอุ่นถูกคิดไม่ได้ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีกํำลังจากสมาธิมามันก็จะลืมมันจะมันก็จะไปหลงกับการการมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะคนหนุ่คนสาวนี่จะไม่เคยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยการจคิดว่าชีวิตของเราเนี่สดใสแบบบ้าน เอาชีวิตนี้ไปหาความสุขกันไปเที่ยวไปกินไปเดื่มไป ห, ไปหาเงินหนาทองหาอะไรต่างๆไม่เคยคิดแม้แต่กระนั้นึลยว่าร่างกายนี้จะต้องแข็งทืเอหยบท้งตายกันมันก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลงแล้วพอวันเดีดเมยวคนหนึ่งไปใครตายขึ้นมานี่ใจก็จะเศร้าขึ้นมาทันทีใจจะทุกขึ้นมาทันทีอันนี้คือเรื่องของการแก้ความหลงในชีวิตเนี่ย เราอย่าไปคิดว่าชีวิตที่เป็นชีวิตที่ยั่งยืนถาวรจะอยู่ไปนานๆต้องดูความจริงของร่าง ก, กายดีว่ามันอยู่ได้ไหมเราควรนั่งพิจารณาว่ามันเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังถ้าเราดูว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะเป็นอนิจจังมันจะเป็นนิจจังได้ไหมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องต้องดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็น หดุจกว่ามันจะยอมรับความจริงของร่างกายหน้าว่าร่างกายนี้มั็นยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเลยตามที่พระเจ้าทรงสอนให้บัติพิจารณาอยู่ในเนื้อ ว, ว่าเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายนี้ต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาลงพื้นความแก่ความเจ็บไายได้ป่วยความตายเป็นไม่ได้นะให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆไม่ให้ลืม พื่อที่จะได้ความหัดทําใจยอมรับกับความจริงการจะทําใจยอมรับกับความจริงได้ก็ต้องอาศัยการมีสติมีอุเบกขามีสมาธิเพราะถ้าใจาไม่มีอุเบกขากิเลสคือความเกลียดความกลัวความตายความเจ็บนี้มันจะออกมาทํางานมันจะสร้างความรู้สึกปวดขยิบรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สบายอกไม่สบายใจ มันจะทาให้ไม่กล้าคิดไม่ยอมพิจารณาพยายามจะสอนใจให้ลืมๆให้กบความจริงอันนี้อย่าไปคิดถึงมันพอคิดถึงมันแล้วมันจะไม่สามารถดำรงชีวิตเหมือนเดิมได้การไปหาความสุขจากการใช้ร่างกายอันนี้ต้องพิงจารณาไปจังหาะใจจะยอมรับถ้ายอมรับได้ใจก็จะไม่ถูกกับความเจ็บความตาย ถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องทําให้ร่างกายเจ็บขึ้นมาเช่นนั่งบรรนาแล้ว ล, เ, วลเกิดทุกขเวทนาก็เหมือนกับเวลาที่เราเจ็บเป็นไข้หวัดใหญ่มันก็เกิดอาการปวดไปทัส่สะพานร่างกายการนั่งบรรนามันก็จะเจ็บตรงที่เรานั่งแถวบริเวณเข่าหรือแมาขานี่ก็ปกดเป็นเจ็บไปสมมุติว่าเรากำลังเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้อะไรเป็นโควิดหรือเป็นอะไร แล้วเราไม่สามารถที่จะไปกาจัดมันได้ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะนี้คือธรรมชาติของความเจ็บมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้กาจัดมันไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราสามารถเราย่อละถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงว่ามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเมื่อเรามังคับให้มันหาไม่ได้สามารถมันหายไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปะ เรามาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเสามตัวช่วยกันซ้อนใจว่าอยู่เฉยเฉยปล่อยมันไปถ้าใจไม่ยอมเฉยถ้าใจมันยังต่อต้านอยากจะให้มันหายก็ต้องใช้สติเช่นวลีรำรพุโทโธพุโทโธให้มันหยุดต่อต้านได้เมื่อมันอยู่ต่อต้านไดมนน้มันมันก็จะนิ่งสงบพอ n สงบความเจ็บก็จะหายความความทุกข์ใจจะหายไป ควาเจ็บอาจจะไม่หายความเจ็บยังอยู่ต่อแต่ความเจ็บที่นี้ไม่มาก็ต้องประเทือนใจมันกระใจายยกออกจากความเจ็บของร่างกายใระจายกออกจากร่างกายได้ใจการเป็นพููรู้พูดดูกไปไม่ใจเป็นพูืดใจไม่ได้เป็นร่างกายใจใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาแยกออกมาอันนี้ก็เป็นการทําข้อสอบถ้าเรายังถ้าเาคิดว่าการคิดของเานี้เป็นอาจจะยังหลอกเราอยู่ ให้เราไม่คลัวเจ็บนะไม่กลั ว, นะวเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เราไปทดสอบอยู่ให้นั่งไว้มันนานๆให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าจะอยู่กับควเจ็บได้ไหมนี่ขอ้อข้อที่หนึ่งคือผ่านความเจ็บข้อที่สองผ่านความตายให้เราได้กลัวตายนะจริงหรือเปล่าไม่กลัวตายเราไปหาที่ที่มันหวาดเสียวเลยที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายที่ไปอยู่ในปา่าบนเขาชิโร่เนี่ย มืดๆไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟยามกลางคืนลาเดินเที่ยวในป่าด้วยเเดินไปแบบมืดๆเนี่ยรู้จะเหยียบอะไรหรือเป่าจะเจออะไรหรือเปล่าหันใจรู้สึกเฉยๆเจอก็เจอเหยียบก็เหยียบตายก็ตายไม่ทุ ก, ก็โอเคแต่ถ้ า, ายังวงยังกัวงวลยั ง, ง, ยงหวาดกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านความคิดยังอาจจะหลอกเราอยู่ก็ได้นี่คือการปฏิบัติขั้นปัญญา เพื่อที่จะทําให้เราปล่อยวางร่างกายปล่อยวางครัมเจของร่างกายให้ได้อันนี้เป็นขั้นขั้นที่หนึ่งของการพิจารณาร่างกายการจลนกายและกาะตาสติแล้วมีขั้นที่สองที่เราจะต้องทําต่อก็คือการขั้นที่หนึ่งก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะใช้นในการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้เสริมความกล้าหาญของเราก็คือดูพยาามพิจารณาให้เห็นร่างกายว่าเป็นธาตุสี่ เริ่มต้นจากธาตุน้ำสองหยดของพ่อของแม่ถ้าดินน้ำมันลมไฟที่มีะสมอยู่ในอยู่ในในในชื่ออสุจิกับเชื่ออ่างไข่เมื่อสองหยดนีม้มารวมกันเข้าก็าก่อร่างสร้างตัวเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วก็สายธาตุสีที่มันดากินเข้าไปเอาเข้าไปธาตุดินธาตุน้ท่านลดแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับร่างกายของทาง้ว น, น้นาดังท่าแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยด้วยการผสมปรุงแต่งของธาตุสเนี่พอโตแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็เติมธาตุสีต่อหายใจเองอนะที่นี่ต้องหายใจเองอารมณเข้าเองต้องดื่มน้ำเองต้องเอาธาตุดินอาหารเข้าไปกินเองต้มีการเติมธาตุอย่าู่ในเรื่องทางกายก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วโตวไปจนถึงเต็มวัยเต็ม เต็มที่ก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเริ่มเสื่อมลงถ้าตสี่ที่แต่ก็มาเสริมมันจะเริ่มไม่มีกำลังที่จะเสริมมันจะมีกำลังที่จะแยกมากกว่ากำลังที่จะเสริมตอนแรกๆที่การเสริมธาตสี่นี้มันมีพลังมากมันจึงทําให้ร่างกายจเจรถญเติบแต่พอถึงขีดสุดแล้วการการเสริมพระาตาสี่นี้มันอ่อนกําลังาการแยกธาตสี่มันเริ่มมีกํำลังมากขึ้นนะ ท่านเสียน้ำจะแยกออกจากกันมันก็เลยทำให้ร่างกายเริ่มเสืงง่อมเริํจะะาจราชราภาพลงไปท่านนั้นที่สุดเมื่อมันแยกมันถึงขีดแยกที่มันแยกกันเต็มที่แล้วคือลมขอแยกจากร่างกายไปก่อนนะพอลมหยุดเข้ามีแต่ออกอย่างเดียวร่างกายก็ถึงแก่ความตายพอลมบอกมาแล้วท่านฟังก็ตามลมต่อไปลมไปจากคนตายด้วย ร่างกายนี้เย็นร่างกายของคนเป็นร่างกายของคเนคเป็นนี่เนี่ยมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่าร่างกายของคนตายคันแรกธาตุไฟธาตล้มออกไปก่อนนาําด้วยธาตุไฟแล้วถ้าเราไม่เอาไปทํำชาปนกิจปล่อยที่ไม่ให้มันเน่าเปือยมันก็ยังหอมแล้วก็มีน้ําเรื่องน้ำหนองอะไรต่างๆไหลออกมาทํามทาวาร จกกนกระทั่งมันแห้งกรอบไปการเป็นหนังหนังหังแข็งๆหุ้มกระดูกไปอวัยวะต่างๆก็กลายเป็นของแห้งไปครดกายเป็นเหลือแต่ของที่เป็นส่วนแข็งที่เป็นธาตุดินถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ผูกรายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาธาตุสี่ให้เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นธาตุรู้คือจิต พู้รู้ผู้คิดทีม่มาเชื่อมต่อกับร่างกายผ่านกระแสของวิญญาณของจิตวิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณที่เป็นก่อทางตาจมูกนิ้นกายแล้วก็รับรูปเสียงเกิดรถเข้ามาเสกแล้วก็ใช้สังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายไปทาอะไรต่างๆ น, น, นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายจิตผู้รูนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย ถ้าไม่พิจารณาก็อาจจะหลงคิดว่าจิตกับร่างกายเป็นอันเดียวกันเดียวกันนไหมแต่หมอทนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าจิตกับร่างกายเป็นอั น, น, นเดียวกันจิตอยู่ในสมองตามหลักของที่พระเจ้าได้ทรงตัดสงังที่ได้สองคนพบเนี้ยจิตกับร่างกายนี้เป็นคนะส่วนจิตเป็นธาตุรู้ร่างกายเป็นธาตุเด่นน้ำลมไฟธาตรู้มาเชื่อมต่อกับธาตุสีเด่นน้ำลมไป เราก็ใช้ธาตุสี่นี้เป ouais oh, ็นเครื่องมือหาความสุขเพราะในจิตมีกามตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือกามภาวะตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปประชาหรือรูปชาก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคนบางคนก็หาความสุขด้วยการไปเที่ยวไปกินไปเนี่ยคนบางคนก็ไปบวชไปหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการเข้าในการหากามสุขต่างๆงเป็นที่มาของการมาเกิดไงของการเชื่อมต่อของของจิตที่ตอนที่ไม่มีดวงวิญตอนที่ไม่มีร่างกายแล้วก็จิตแล้วก็เรียกจิตว่าเป็นดวงวิญญาณแล้วพอเกิดปฏิสนธิในคันขึ้นมาจิตก็มารวมมารวมมามาเชื่อมต่อที่คันทันทีมาจาับจับจองเป็นเจ้าของทันที เอนการไปสั่จองรถที่ก็ยังไม่ได้ผลิตจากโรงงานบาทีรถก็ผลิตไม่ทันแล้วก็ไปที่โชว์รูป ก, ก่อนไปจองรถไม่ก่อนพอรถทําเสร็จข้อดอากมาจาท้องแม่เราก็จัดการขี่ได้เลยขับไปไหนมาไหนได้เลยอันนี้คือการพิจารณาธาตุสี่ธาตุห้ารวมทั้งทั้งจิตก็คือธาตุจิตก็คือธาตุลมร่างกายก็คือธาตุสี่ ที่บังงมตัวกันทำให้เกิดอาการ32า ข, นนนนกกขึ้นมาเกิดผมกลเนืฟันนัเนื้ออนกันนุกต่างๆขึ้นมาถ้าเราจะพูดแบบทางวิทยาศาสตร์ก็ร่างการนี้ก็เป็นประกอบจากสารเคมีต่างๆเยอะๆ organic o r เ a n i c c h e m i t r y c e y มีไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรสารต่างๆนะไรเมื่อมารวมตัวกันก็ทำให้เกิดมีผมมีข้นมีเล่นมี สมนนัยโบราณท่านใช้คําว่าธาตุธาสีท่านดูดูส่วนใหญ่ๆส่วนประกอบใหญ่ๆของท่านก็คือดินอันไหนที่เป็นของของแข็งเราก็เรียกว่าธาตุดินอันไหนที่เป็นของเห ล, ลวเราก็เรียกว่าธาตุน้ำอันไหนที่เป็นของร้อนเราก็เรียกว่าธาตุไฟอันไหนที่เป็นที่พัดไปพัดมาเราก็เรียกว่าธาตุลมก็มีท่ทา น, นี้ร่างกายไม่ได้มาจากอะไรมันจากธาตุสี่ที่น้ำํำลมไฟตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย เราเอาบัญจิตที่มาเกาะแล้วก็ไปเหมาออกเหมือนกับคนที่อยู่บนนอกนี้สมัยก่อนแล้วไปเหมาออกนอกนี้แบนใช่ไหมมันแบนหรือเปล่ามันไม่แบนแต่เหมามันเชื่อกันใช่ไหมสมัยโบราณไม่กลับเป็นคล้าก้านั่งเรือออกไปสุดขอบฟ้ากลัวจะตกขอบขอบทะเลสมัยก่อนไม่เป็นคร้ายก้านนงเรือไปไกลจนมีนักพิธีาศาสตร์ พิสูจน์ว่าลมก็แบบมันท้องฟ้ามันทุกอย่างดาวแต่และดวงมันกลมทั้งนั้นอย่างแล้วโลกนี้มันจะแบนได้ยังไงวะเขาอะเลยยอมเสกตายเอายอมยอมพิสูจน์ด้วยการนั่งเรืออกไปไปให้มันไกลสุดขอบมาไปเท่าไหรมันก็ไม่สุดขอบฟ้าสัทีเพราขอบฟ้ามันก็เลื่อนออกไปได้เล ย, เ, ลยเพราะมันโลกมันกลมอันนี่ก็เหมือนกันเราต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวเราเรามันเพียงแต่มา เรามาเชื่อมต่อด้วยกระแสของมีญญาติของเรากระแสของการรับรู้เรืับเสียงเกี่ยวดที่มาเกาะที่ตามของจังหวงยึดกายล้วใช้สังขารความคิดตุ่นตันสัง่งให้ร่างกายทํำลายทำที่เราต้องการเราทำร่างกายนี้เป็นคนส่วนร่างกายเป็นเบาวเราเป็นนายใจเป็นนายผู้รู้ผู้คิดเป็นนายเท่านี้เองแวันหนึ่งเมื่อร่างกายหยุดหายใจการเชื่อมต่อก็อันยุติลง ร่างกายก็กลับคืสนสู่ธาตุสี่ธารู้ก็อยู่อยู่ในโลกที่รอรอรับร่างกายใหม่ช่วงที่เรารับร่างกายใหม่ก็รับผลบุญผลบาปไปอันนี้ก็คือการพิจารณากายและกัมตาสติเพื่อเห็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนแต่ยังต้องมีการพิจารณาข้อหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายที่ยังเป็นปัญหากับใจอยู่ก็คือการมีกามะ การมาลาค่ะจะมีความรักความชอบร่างกายเวลาเห็นร่างกายที่สวยที่งามที่หล่อลก็เกิดความค่มาะเกิดความยินดีห mm hmm. นะกหนาความสุดจากการร่วมเพศกันพอ mm hmm. ไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่งางกายคนเราส่วน ใ, ใหญ่เวลาจากนอกบ้านต้องเสริมสวยกันก่อนใช่ไหม mm hmm. แต่หน้าทาปากหวีผ้าหวีผมใส่เสื้ออะไร นั่งหน้าล้างตาให้สะอาดขี้ตรงขี้ตานี่ต้องกําจัดออกไปให้หมดออกไปแล้วดูแล้วใครเห็นแล้วก็เกิดความรักขึ้นมะมีวิธีที่จะแก้ความรักนี้ก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนี่คือคนที่มาออกการพิจารณาสุภาครับ่างกายมันมีในส่วนที่สวยแล้วมีส่วนที่ไม่สวยเราอย่าให้ความส่วนที่สวยมาหลอกเราเพราะมันมีส่วนที่ไม่สวยอยู่ด้วย ก็คือส่วนที่ไม่อยู่ภายในร่างกายของเราภายใต้กลุหนังผมขนเล่ฟันหนังปั๊บพอต่อจากนั้นก็คือเนื้อเห็นไติด ก, กันเนื้อติด ก, กนันหนังก็คือเนื้อเนื้อก็จากเนื้อก็มีเอ็นเอ็นก็มีไว้รัดลัดกระดูกต่างๆไว้ให้เชื่อติดกันก็มีโครงกระดูกนีก่เราเล่นเราเห็นภาพโครงกระดูกแล้วก็เห็นอวัยวะต่างๆ มีบ้ามีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นเต็มไปหมดนะเห็นแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่สว่อนได้านถ้าใครเห็นความเห็นอวัยวะทางสาที่มีในร่างกายนี้อารมณ์ที่มีความข้อยากยังโลภแค้นี้มันจะหายไปเลยมันจะกระเจิดกระเจิงไปเลยแต่ปัญหาของผู้ปฏิบัติก็คือถ้ายัง ท่ายังไม่มีกําลังของสอุเบกขานี่จะไม่อยากจะพิจารณาวิเลยมันจะไม่ชอบวิเลยมันชอบเรื่องของสวยๆเงาๆต้องบังคับมันนี่เอมันถึงจะต้องเห็นโทษของการมีมีการละหลงเพราะว่าเวลามีการละนลงถ้าไม่ได้เสกกรรมมันจะรู้สึ ก, สกเหงื่รู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวเวลาอกิดก า, มา ง, งมาันลงขึ้นมา มันเป็นทุกข์เราต้องเห็นร่องเป็นทุกข์เราอยากจะแก้ปนะัญหาเราอาจทุกข์นี้โดยที่ทำยังไงให้เราอยู่คนเดียวแบบไม่เหงาไม่เศร้าก็ต้องรับระงับดับความกา้ามลอนี้ให้ได้การจะรับกล้ามลอนี้ได้ก็ต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้นก็ต้องฝืนบังคับให้มันพิจารณาอาการ32นี้ให้ได้โดยต้องกล่าวชื่อมันก่อนท่องชื่อมไปก่อน ผมขอนเล่นปันหนะังเนื้อเอนกระดูกเยือเนืเนกรดูกอะไรตา่างการที่สามารถเภาพขึ้นมาถ้ายังไม่รู้ภาพเป็นยังไงก็อาจจะต้องไปอาศัยหนังสือของนักศึกษาแพทย์นะหนังสือแพทยก็ จ, จะมีภาพที่ยังไม่น่าเกลียดน่ากลัวนะคือภาพวาดภาพวาดเอาไวาา้ภาพต่างๆภาพวาดของโค้งปันตุกและต่อไปก็อยากจะไปดูของจริงก็อาจจะไปขอดูเวลาที่น้องชนสุดส ที่นักศึกษาแพทย์ต้องศึกษากันใช่ไหมม็อบดูม็อไปดูผ่าสพไหมดูเอาไว้แล้วอะไรถ้าเป็ น, น, น, น, น, น, น, น, นปบัติก็ต้องวันนึงก็ต้องไปดูให้เห็นของจริงให้ได้แล้วยังสมัยนี้มีมือถือด้วยถ่ายรูปกลับ ม, มาเก็บไว้ดูซ้ำอีกซากเผา่อมันลืมก็ได้เจ้ามันก่อนนี้ก็ได้โพสต์หนังสือกายกตาสติของหลวงตาไปถ้ากายอยากจะเห็นบ้าสุภาษิมหายากแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตก็หาไม่ค่อยได้ จะถูกแบนไปเสีหมดเขาไม่ชอบภาพแบบนี้กี่าไม่ชอบภาพแบบนี้แล้วคนที่จัด ก, การคนที่บริการอินเทอร์เน็ตก็คนในีฬาเท่านั้น่ะจะรับเก็บภาพวัตุภาพเท่านั้นนะก็จะหาภาพวัตถุภาพดูมัน่อยได้ในอินเทอร์เน็ตหาอย่างเดียหาดูได้หมดแต่ภาพวัตุภาพนี่หาดูยากมากเล วันนี้อาจารย์เล่าพูดเองอาจารย์เล่าพูดเองเลยนะครับวันนั้นวัานี้วันนั้นมียานเยอคนหนึ่งว oui. well ันนีเราคุยกันเรื่องหนังสือว่าในโลกนี้มีหนังสือแฟชั่นหนังสือความงามต่างๆว่าไม่มีหนังสือเกี่ยวกับภาพอสุภะเลยไม่เป็เพราะมันขายไม่ออกก็วัดีมีคนเนึ่ยก็บอกเขาได้หนังสือกายและคตาสติของหลงตามาแล้วก็ก็มาแจ้งให้ทราบหนังสือเล่มนี้มีภาพอสุภะเยอะแยะเลหมด แต่เขาไม่รู้ว่ามีโพสไดนออนไลน์หรือเปล่าพอดีมี ญ, ญาติโยมคนหนึ่งบอกไปเจอเข้าพอดีมีหนังสือเขาโพสไวาอยู่พอดีในเว็บไซต์ขององค์การเขาก็เลยให้ให้ที่ที่มาเราก็เลยมาโพสให้ใครอยากจะดูก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เสดในในเพจของเราก็ได้ว่ารูปรู ป, ปรสุภาษรูปภาพอสุภาษ์สหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นมีวงเล็บไว้เนียวสำหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้น พราะถ้าไม่ผู้ปฏิบัติแล้วจะแหงว่าเป็ น, นภาพที่อุจจารต้าว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่าที่ชอบดูภาพแบบนี้แต่เจตนาลม่าคือต้องการระ้ําการมาันลมการเห็นภาพเหลนี้นรับประกัศหน้าการมันมเกิดไม่ได้มีแต่ว่ามันจะเห็นเดียวเดียวแล้วก็พยายามลืมมันไปถ้ า, าพักมันอาจจะเร็มหายไปจากใจก็ได้ ถ้ามันหายจากใจก็ต้องกลับมาดูเรื่องเนี้พิจ า, จากการณาบ่อยๆจนกว่ามันจะเห็นฝังใจเราในการจะดูภาพหลังได้ ใ, ใจต้องมีสมาธิมาต้องมีเวลาว่ า, ากทาอย่าไงไรเราความรู้สึกขยับขยับความรู้สึกอิดเอียนนี่จะเกิดขึ้นบางคนถึงกับจะอาเจียนก็มีคนบางคนไปดูภาพผ่าศพนี่ดูไม่ได้ออกม า, าเจียนข้างนอกถ้ามห้ามใจไม่ได้ การห้ามกิเลสไม่ได้กิเลสมันต่อต้านอันนี้แหละถ้าสามารถพิจารณาได้แล้วก็จะสามารถระลับการมบรรลักษณสาโยชน์ข้อที่ห้าข้อที่สี่ข้อที่ 5, หา้ากรรมบรมลาลักษณกับปฏิฆาได้ทำได้นนถึงขั้นนั้นก็สามารถบรรลุเป็นาอนาคามีไ ด, <Okay. S 1> จไดไ้จะไม่กลับมาเกิดในกางเราพุทธิต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นเปนมนุษย์เพื่อเสิ์การ สามารถเสพเสพรูปชาหนระือรูปชาในในรูปภพหรือรูปภูมได้เลยโดยตรงไม่ต้องผานร่างกายครับอนี้คือผลของการเจริรกายยะตตาสติเพื่อรักสังโยชน์สามข้อแรกห้าข้อแรกก็เรียกว่าสังโยชน์เรื้องต่ำสังโยชน์ที่เกี่ยวกับร่างกายเป็นเจริญกายยปล่อยวางร่างกายได้ในทุกทุกมิติป่อยวางร่างกายในอนิจจามิติ ในอนันท่านตมิติในอสุภาพมิติปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดติดกับร่างกายท่านของตนเองนะของผู้อันนี้ยาว ห, หน่อนนยเท่ยาวหน่อยก็พูดไดเม็นข้อมุนการอะไรรายละเอียดดีมากเลยครับอาจารย์ครับ อ, อันนี้ก็จะบันจุอยู่ในตเตปทานสองข้อด้วยกันก็คือกลอ่ากาย าการรู้ปัสนานสติปัฏฐานกับเวทนานุปสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกายกับพิจารณาเวทนาแล้วส่วนที่สว่าจิตตามรู้ปัสนาก็เป็นขั้นขั้นต่อไปเมื่อปล่อยวางร่างกายนะแล้วก็ต้องไปปล่อยวางใจใจยังมีปัญหาหรือจิตยังมีปัญหายังมีมีอัตตาตัวตนอยู่ในจิตเนี่ยมีมารณ์อยู่ยังมีความยึด ยังมีความชอบิเสบ ร, รูปประชานะรูก ป, ประชานี่ก็ต้องมาละหลย้อนตอนนี้แสดงว่ากายคตาสตินี้ภาคปฏิบัติคือสติสมาธิปัญญาทั้งสาส่วนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่เกี่ยวกับร่างกา ย, ก, ยกับร เ, เวทนามีเวทนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเจ็บปวดอันนี้ก็จะเป็นเวทนาลูกปัชนาสติเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ส่วนผลนี้ก็ไปพาเราไปได้ถึงพระอนาคามีเลยใช่ไหมครับอนาคามีพอบรรลุอนาคามีแล้วเรื่มร่างกายนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาต่อไปไม่มีความอยากจะมีร่างกายไม่มีความอยากที่จะไปร่วมเสพการกับใครต่อไปครับอเรื่องการอารม์ได้ปไปทั้งหมดแต่ยังตินเรื่องทำอารม์ไม่ได้ทำอารมณ์นั่นคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ที่เกิดจากความคิดตกแต่ตงธัญมาสังขารที่ไปคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังเสกอยู่เสียกคิดถึงเรื่องที่ทำให้เกมีความสุขันดีแสนหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้ตนหรืออาจจะไปคิดถึงอนานคตที่น่าหวาลัวก็ได้อาจารย์ครับผมเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่เห็นศพผมก็ยังชอบเข้าไปดูอยู่ครับอาจารย์ <Hey. S 2> แล้วไปดูทุกก็จะรู้สึกเออรู้สึกว่าสังเวชแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้ ก็ยังพิจารณาอย่างนี้ยูเห็นยูบ่อยๆครับอังนั้นก็พิจารณาเรื่องความตายนนอาจจะต้องต่อไปพยายามพิจารณาเรื่องเรื่องของการนันเอแต่ถ้ายัางน้อยเรารักษาสีนห้าได้ก็ถือว่าเราก็มีมีมีมีมมมพลังพอที่จะสู้กับกาลนรกที่จะคอยให้เราไปทาผิดสีขท้อนี้ได้เรือท้อการนี้ ถ้าคนที่ยังรักษาข้อกามเองไม่ได้นั้นพยายามไปดูสุภาพบ้างจะช่วยทำให้ดลดความอยากที่จะไปทำผิดสิ่งหน้าข้อนี้ถ้าจะเสกการมเกษตรกับคู่กององเราวันนี้เข้าใจจำแจ้งเลยครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติครับขอบคุณอาจารย์ครับ อาจารย์มีคำถามที่เมื่อกี้าาอาจารย์อาจจะพูดไปแล้วครับจากคุณลอดช่องวัดเจตครับวิธีตัดกามที่เร็วที่สุดทำอย่างไรดีครับก็จะอให้เห็นสุภาพ ต, ตลอดเวลาไปดาว น, น์โหลดหนังสือาากายกรรตาสติดูในในในในในในในในในในในในในในในในในในในานในในในใสในในในในในในในใคําในในในในในในในในในนในนในในในนนนในนในในในนนในใมในในในในในในในในในในในใน คิดว่าเสกคํานี่น่าจะน่าจะได้นะครับว่าเพราะมันเป็นหัวข้อของของของเรื่องนี้อย่ครับอาจารย์ครับถาไม่ยากครับเข้าไปในเพจป้าอาจารย์ก็จะครับวันนั้นป้าอาจารย์บอกป้าอาจารย์เคนโพสเองเลยนะครับอาจารย์เองชอบป้าอาจารย์ครับคําถามจากคุณตะวันครับแก้ดวงตกดวงไม่ดีมันมีจริงไหมคะหรือมันขึ้นกับตัวเราครับไม่มีครับ มันเกิดจาการกดอ น, นิจจังเราอยู่ในโลกของอนิจจังมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลที่เกิดจากวิบากกรรมของนาด้วยธรามแสงด้วยทั้งนี้วิบากกรรมของนามนะเรื่องของความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีขึ้นมีลงเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงแห็นช่วงช่วงเกิดโควิดนี่ลงกันเยอะแยะไปหมดเลยมหมดเนื้อหมดตัวเส้นเนื้อปรรดาตัวกันเยอะแยะไปหมด เป็นเรื่องของของอนิจจังของกฎอนิจจังในโลกนี้ที่มีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาโลกธรรมทั้งสี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ, ๆมีเกิดมีลงมีได้มีเสียอำนาจยศสรรเสริญสิ่งนี้มั น, ะะ น, น, นเปลี่ยนไปเปลี่นมนละ้วเราก็มาว่าเป็นดวงทั้งนี้แต่มันจะมันเป็นอนิจจังอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ คุณเอสเครับเจ้านายเป็นคนชอบทุจริตรับเงินใต้โต๊ะแล้วก็มาบังคับเราให้ทุจริตตามไปด้วยเราควรทําอย่างไรดีคะนราไม่อยากทำนั่นเลยแล้วก็ให้เราออกแล้วออกครับคุณพัฒรดธนนยครับกานมหาสก า, า, ารพระอาจารย์ครับตอนที่ผมจะนอนผมกําหนดบริกรรมพุทโธจนหลับถือว่าผมทําสมาธิไหมครับไม่หรอกการใช้พุทโธกลอบใจให้หลับนะ เป็นการนอนหลับไม่ได้เป็นการทำสมาธิการทำสมาธิเวลาจิตสงบมันไม่หลับมันมูดตัวตลอดเวลาคุณมาริษาครับคนที่ไม่มีสติอยู่กับกายจะทำให้ฟุงซ่านแก่งานและโรคภัยไข้เจ็บมากใช่ไหมคะพระอาจารย์คือถ้าไม่มีปัญญา คือไม่รู้วกายนั่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะวุ่นวายกับเรื่องเรื่องความเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเน้นเามือสภาพดามจริงของร่างกายแล้วมันจะต้องเจ็บแบบไข้ได้ปวดมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ไม่ฟุง้งซ่านคุณมุทิตาครับขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์อธิบาย ประโยคที่ว่านัตถิขันทัสมาทุกขาทุกเสมอด้วยขันไม่มีครับอาจารย์ครับเพขันก็คือขันห้านี่ยไม่มีทุกใดในรอบนี้ที่จะเสมอเท่ากับทุกของขันห่านี่ความทุกของเรานี้ก็ อ, อยู่ที่ขันห้านี่เ อ, อยู่ที่ร่างกายแล้วก็อยู่ที่เวทนาทุกเรื่องในเรื่องทองมันไม่หนักนะแต่อัจจะจนเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกทุกพอตกงานนี่ทุกเาอะไรมันก็ยังไม่เท่ากับทุกที่เจอเจอความเจ็บเจอความตายครับคุณนันทพัฒครับขอาการเรียนถามข้อที่หนึ่งครับถ้านั่งสมาธิโดยไม่กําหนดเวลาจะใช้อะไรเป็นเครื่องบอกว่าควรเลิกนั่งตอนไหนดีครับนั่งไปกร่อยๆจนกาจะทนนั่งไม่ได้นีนั่งไปเรื่อยๆจนการจะทนนั่งไม่ได้ ข้อที่สองครับถ้าตั้งจิตว่าจะกําหนดอะไรในการปฏิบัติเช่นบทสวดหรือคําบริกรรมแล้วบางครั้งเกิดความเครียดและเพราะว่าการสวดหรือบริกรรมอีกอย่างสงบกว่านิ่งกว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะอ่าถ้ามันถ้ามันสงบจริงก็เปลี่ยนได้แต่ถ้ามันคิดว่าจะสงบแล้วถ้าเป็นความคิดก็อย่าไปเปลี่ยนเพราะมันหลอกเราถ้ารู้ว่าทําบทนี่แล้วมันสงบก็ใช้บทนั้นไปสิจะมาต้องมาเปลี่ยนตั้งแต่เราก็ใช้บทนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปเลย แต่ถ้าเราใช้บทนี้ไปสักพักแล้วบทนั้นดีกว่าจะสงบกว่าอย่างนีเลยกว่าถูกหอรอคุณพระธรรมครับกัลยาณมศการพระอาจารย์ครับผมมีปัญหาขอพระอาจารย์โปรดบอกทางสว่างให้กับชนที่รู้ว่าจะตายในไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยโรคาผู้นั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรวางจิตอย่างไรครับก็คือจิตให้เป็นอุเบกขาถ้าจิตจสงบเป็นอุเบกขาจิตก็จะไม่ทุกกับความตาย ปัญญาอบรม ส, สมาธิให้ ม, มากๆแล้วลอดเจริญปัญญาสอนใจอย่าไปต่อต้านความตายถ้ามันอยู่บนนี้เกาดมาแล้วต้องเป็นความตายเป็นธรรมดาไม่พ้อมความตายมันไม่ได้เพราะการต่อต้อานจะสร้างความทรมานให้กับใจถ้ายอมแล้วใจจะไม่ทรมานยอมแล้วใจจะไม่ต่อต้านใจก็จะหยุดใจก็จะเย็นพอยอมหยุดเย็นพอยอมยอมตายแล้วมันก็จะหยุดต่อต้าน อหยุดต่อต้านมันก็จะอย่็ น, นสงบสบายไม่เดือดร้อนความตายเพราะใจไม่ได้ตายใ น, นควางตายความตายไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความไม่ยอมตายครับไม่ยอมรับความจริงที่ไม่ยอมรับความจริงว่ากิเลสไม่ยอมรับบางทีเราอยากจะยอมแต่กิเลสมันไม่ยอมรเราจึงต้องทําสมาธิทําให้จิตมันสา บ, บให้ได้เวลาเราทําจิตให้สง บ, บเราเรากดกิเลสไป ไม่เกล็มามาต่อต้านถ้าเราก็จะยอมได้ยอมรับความตายและหยุดต่อต้านได้น้อจาร์เราก็จะเรียนคุณมาริสาครับตอนนี้ภาครัฐเปิดเสรีสุราเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยที่จะต้องมีญาติพี่น้องทุกพลภาพพิการและเสียชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ต้องทํางานหนักมากขึ้นและงบประมาณที่ใช้ในการรักษาพยาบาลก็มากเพิ่มขึ้นอยากฟังความคิดเห็นของพระจารย์อีกแง่มุมหนึ่งเจ้าค่ะ ก็เพราะว่าเราเอาคนยอดมาเป็นผู้นําเราเนี่ยไม่อาคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่คนที่มีธรรมะธรรมะก็สอนอยู่แล้วอาบายามุขมันเป็นพิษเป็นภัยจะตายไปมันไม่มีคุณเลยแต่ทําไมมาส่งเสริมกันแล้วกันเพราะไปมองเอาใจคนใช่ไหมคนคนส่วนใหญ่ชอบอาบายามุขกับพูดง่ายง่ายคนที่มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาเกิดที่มาเกิดนั้นที่เพื่อมาเสพอาบายามุขกันแต่มีศาสนามาคอยขวางกั้น วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยต่อไปเสียงข้างมากจะมากจะกระนั้นต่อไปศาสนาเนี่จะถูกถูกกําจัดเพราะมันมันขวางขวางทางของกิเลสกิเลสมันอยากเสกอาบายามุกอยากเสกกลางใช่หไหมแล้วมีโสเภณีเสรีอะไรไใช่ไหมเวลาเสรีอาบายามุกทั้งนั้นต่อไปก็บวนเสรีตามรับประกันได้แล้วก็อ้างว่ามีไรายได้มีไรายได้อ่า คนขายสุนาก็ะจะได้มีรายได้คนกินก็จได้ซื้อของถูกกินมากไปกอย่างนั้นเขาบอกในแง่ดีได้ก็มีเหตุผลของเขาแล้วและคนชอบเดื่มก็เห็นเห็นด้วยอยู่แล้วคนชอบของพวกนี้ก็เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นถึงพิษภัยที่ตามมาจากการมีอบยัยวะโดยที่ไม่ควบคุมเนี่ยมันจะทําให้เกิดการทําบาปมากขึ้นการคาดฟันการการักทรัพย์การอะไรต่างๆนี่มันจะตามมาต่อไป คุณสุกัญญาครับกบ า, า, ารเป็นถามพระอาจารย์ครับจิตกับใจเหมือนกันหรือต่างกันแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเป็นอย่างไรและใจเป็นอย่างไรครับเป็นตัวเดียวกันเน่ยเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยเรามีข้างหน้ามีข้างหลังแย่แป็นร่างกายมันเดียวกันจิตกับใจก็มีสองด้านด้านจิตก็คือเป็นผู้รู้ผู้คิดอาบุญเป็นผู้คิดผู้คิดอะไรต่างๆเรียกว่าจิตส่วนใจก็เป็นผู้รู้เ ป, เป็น ผ, ผ, นนน ผ, นผู้ผู้รู้ ก็มีนั่งสองอย่างผู้รู้ผู้คิแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันมันร่างกายเรามีด้านหน้ากับมีด้านหลังคุณพีโกรครับวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคือมันใช้แทนกนันคนำะว่าธาตุกับขันเนี่ยมันใช่แทนกันตัวเดียวกันวิญญาณธาตุกับวิญญาณขัน ถ้าเราเข้าใจนะหรือว่าจะแปลว่าถ้าวิญญาณธาตุนี้เข้ามาถึงธาตุญญารู้ก็ได้ ค, คือจิตนะส่วนเวลาจิตที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกวิญญาณนชะ่ไหมเพราะนั้นธาตุรู้อยู่ตามลําพังไม่ได้มาเชื่อมต่อกับร่างกายก็เป็นวิญญาณธนะาตุส่วนวิญญาณาขันก็คือวิญญาณที่อยู่ในขันธห้าเลยวิญญาณที่ส่งมาเชื่อมต่อกับอารลุจฉมลร่างกายนมามขัน เป็นขันข้อที่สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณนมามขันกับวิญญาณที่เป็นธาตุรู้คือธาตุรู้นี่บางทีแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจเวลาตายไปแล้วก็เรียกวันดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็คือวิญญาณละธาตุนี้ก็คกือจิตนี่นะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานภาพเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยก่อนก่อนจะก่อนจะ แต่งงานก็ใช้นางสาวนะพอไปแต่งงานก็กลายเป็นานางไป น, นั่นเองคนคนเดียวกันเรีนสถานภาพเด็กชายกับนายก็เหมือนกันนะตอนที่เป็นเด็กก็เลยเด็กชายแล้วพอ่อขึ้นก็เลยเป็นนายก็ทางนั้นเองอย่เป็นตัวเดียวกันวิญญาณธาตุนี้ก็คือธาตุรู้ส่วนวิญญาณขันนี่คือวิญญาณที่อยู่ในธาตุรู้เวกทนะีวิญญาณ ในธาตรู้นี่มัน ม, มีมีขันอยู่สี่มีการสามารถอยู่สีอย่งที่เรียกว่าเมตนาสัญญาสังขารเมญญาเมตนาก็คือความมีความสามารถมีความรู้สึกมีความสามารถที่จะคิดเนิสัยสังขารมีความสามารถที่จะจําได้ไหมายรู้และมีความสามารถที่จะรับรู้รูปเสียงเก่งที่มาทางตาหูจมูนกนิ้วข่ายนี่คือขันสี่ ที่เลวานามขัที่มีอยู่ในธาตุรู้เองทีเนี่ยนี่นคำว่าวิญญาณนี้มันถึงมีสองความหมายวิญญ า, าณเวลาที่ดวงจิตอยู่ตามลําพังไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดงวิญญาณแต่ในดวงวิญญาณนี้มันก็มีมีวิญญาณที่รับรู้รูปเสียงเกิดแล้วเวลาที่ไปเชื่อมต่อกับร่างกายครับคุณอ้อนครับ สอบถามค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล อ, อุบาสิการะหว่างกวาดใบไม้ก็เกิดความสุขใจเบิกบานใจจนรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนอื่นบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะหรือว่าควรสงบใจระหว่างการปฏิบัติครับไม่ควรมีความอยากครับเป็นความอยากที่ดีเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปทํามันนั่นเองมันความปรารถนาดีเมื่อเรามีความสุขแเรวก็อยากจะให้มีคนอื่นเขามีความสุขมาก แต่ตอนนี้เราพิ่งมีความสุขเานี้พยายามสร้างความสุขเล่านี้ให้มันมีมากขึ้นมาก่อนดีกว่าให้มันอยู่มั่นคงกับเราให้เราให้มันสามารถให้เราสามารถเรียกมันมาได้ทุกเวลาที่เราต้องการส่วนจะสอนใครไม่สอนใครนี่ต้องดูว่าเขาสนใจหรือไม่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไม่บอกเธอไปปฏิบัติธรรมมาฉันไหมสงบดีนะมีความสุขนี่ยังใครก็ชวนอย่างนี้ไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้าบ้าธรรม งั้การที่จะไปชวนกันจะอะไรนะนี้มันต้องดูการรับเทใสว่าเขาพรอมหรือไม่เขาอยากไปไหรือไม่บางคนเขาอยากไปไม่รู้จะไปไหนไม่มีเพื่อนไปก็อยากจะมีเพื่อนไปด้วยอางที่ก็ชวนเขาไปได้ต้องดูการรเทใะคุณชมชนครับเวลาลืมตาจะกำหนดสติที่ลมหายใจจิตนิ่งได้แต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตวอกแวกมากคล้ายกบ กระโดดเด้งแตะตรงนู้นตรงนี้ทีเดี๋ยวดูกายบ้างลมหายใจบ้างจึงตามดูไปเรื่อยๆไม่ทราบถูกต้องหรือไม่คะก็ดูลมอย่างเดียวเลยมในตอนที่เราเงยตาเงยตาดูลมไปแล้วพวกเราพอเูยนกดูลมตอนเี่ายๆก็หลับตาดูต่อก็ได้แค่นั้นเองเพราะการดูลมไม่ต้องใช้ตามันใช้การสัมผัสสัมผัสทางเรเรียกว่าผดทะพ่าผดทะพ่ามันสัมผัสกับว่ากับปลายจมูกมันไม่ต้องใช้ตาดู คุณวันเพ็ญครับถามปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาระลึกความตายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงมีสติพุทโธปล่อยวางร่างกายไม่ห่วงกังวลใดๆจะมีโอกาสตัดภพชาติไหมเจ้าคะถ้าปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทการอ า, า, ารมณ์ง่ายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายถ้าถ้าตัดการทําอารมณ์ได้อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ก็ไปสุดพานิพนธ์ ก็ไม่ต้องกลับมาเรียนไหวจาการต่อไปคุณจิรพัฒนครับกลับเรียนถามอาจารย์ค่ะการหลับตาขณะนั่งสมาธิคือหลับตาแบบไหนคะรู้สึกเหมือนมีสองลักษณะแบบที่หนึ่งดูหนังตาจะมีอาการเวลาเพ่งเหมือนหนังตาจะเปิดได้ง่ายและแบบที่สองเหมือนข่มตาให้หลับจะมืดกว่าแต่มีโอกาสหลับได้ค่ะขอความกระจ่างค่ะนับแบบสบายหลับตาแบบสบาย้เป็นธรรมชาติอย่างเปบงังคับมัน ดับตาแล้วก็ไม่ทำไปสนใจครับกับตาเหงาไปให้มันสนใจกั บ, กบลบหมหายใจนั่นี้คุณลวิวรรครับกลับไปถามพระอาจารย์บางครั้งนั่งสมาธิและสงบนิ่งไม่ได้ยินเสียงใดๆให้ดูอยู่เช่นนั้นหรือไม่คะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะออไม่ให้ดูให้เราอยู่กับลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจถ้าเราใช้กรรมวิการพุโทโธต้องใช้ก็ดูอยู่ที่บริการพุโทโธอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดู ใจเฉยๆไปอันนี้เดี๋ยวจะถูกหลอกได้นั้นต้องมีอะไรมีสติกับกับใจเพื่อไม่ให้ใจมาสร้างภาพสร้างอะไรต่างๆม า, าหลอกเราถ้าได้ยินเสียงอะไรนั้นแสดงว่าใจเริ่มมาหลอกเราเริ่มผลิตเสียงขึ้นมานะเพราะการนั้งที่ร้ผลจริงๆจะไม่มีอะไรปรากฏให้เรานับดูเลยนอกจากความว่าง ค, คุณจรัญญาครับ ถามสองข้อครับข้อที world, music, ่หนึ่งเพราะเราไม่รู้เวลาตายถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธจะพอรับมือกับความตายที่ไม่แน่นอนดีได้ไหมเจ้าคะก็เราไปทดสอบเดียวสิเราไปอยู่ที่มันน่ากลัวหนึ่งที่อาจจะคิดว่าเราจะต้องตายเราใช้คําภาวนาพุทโธพุทโธดูว่าจะรับกับความตายได้ไหมอันนี้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองเราตอบให้ไม่ได้เพราะแต่ละคนอยู่ที่กําลังของพุทโธว่าไม่มากไม่น้อย ข้อที่สองครับเราต้องพิจารณาอนิจจังของทุกสิ่งที่เราพบเราเจอไหมครับก็ควรจะพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่เป็นหลงยึดติดเพื่อเราจะได้ไม่ทุกเวลาที่เขาเขาจากออกไปถ้าเรายึดติดน้องึืมไปว่าเขาจะต้องจากเราไปเพราะเขาจากออกไปเราจะเศร้าโศกเสียใจมากคุณมนฑนาครับ ขอความรู้คำว่าสิริมงคลค่ะคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรต่อแต่ละคนครับคือบรรภาษาเนี่ยสิริก็เราก็ไม่เราก็าาไม่ได้เป็นนักภาษาศาสตร์ไม่ไม่กล้าตอบมงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจคำว่ามงคลในหมายความสุขความเจริญของจิตใจทาไม่จิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้น เช่น ท, ทำบุญทำทานจะทำให้จิตใจเราเป็นเทพมีความสุขมากกว่าความสุขของมนุษย์นล้นถ้าเราไปภาวนานั่งสมาธิเข้าฌานได้เราก็จะได้ความสุขสูงกว่าความสุขของเทพเป็นความสุขของพรห น, นี่เป็นเรื่องของความเจริญของจิตใจความสุขความเจริญของจิตใจแปะว่ามคลสีรเหี่ยมนี่มันเป็นคำว่าสวยงามใช่ไมครัท่านท่านทำรองนครับ ไม่ค่ไม่ค่อยเก่งภาษาภาษาอังกฤษบางทีชัดกว่าภาษาไทยนะครับาใช่เพราเราเร า, เราเราเราเน้แต่ภาษาอังกฤษมาส่วนใหญ่ภาษาไทยจบแค่ป .4 อะไรีคุณมาริสาครับบุญคือความสุขในทางตรงข้ามผู้ที่มีความทุกข์มากแสดงว่าเขาทำบาปมากใช่ไหมคะระอาจารย์มีสองอย่างที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ บางหนึ่งแล้วก็ตั้หาความอยากกิเลสตั้หาเนี่ยเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจคุณธนวันครับการนั่งสมาธิจะทําให้เราได้บุญด้วยหรือไม่เจ้าค่ะได้เพราะเราเราเราหยุดความอยากได้ช่วงที่เรานั่งสมาธิจะอยากไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เวลาเรานั่งสมาธิครับ คุณนิรุตครับการเปยนถามพระอาจารย์ครับาาคําว่าเบื่อนหน่ายเช่นเบื่อนหน่ายทั้งในรูปเวทนาสัญญาในคําแปลบทสวดอาทิตแต่ยะปริยายสูตรและอนัตตลักษณะสูตรหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราเบื่อในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์กับเราเนี่ยใช่ไหวลาใครที่มานอยู่ก็แล้วแล้วไม่มีประโยชน์เลยแลก็เบื่อไหมใช่ไหมอยู่ขเขาแล้วเราต้องมาคอยเลี้ยงดูเขาโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาที่เราเบื่อไหมก็เบื่อแบบเดียวกัน เมื่อเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ลูกเวทนาสัญญามาให้ความสุขเราเราก็จะเบือเพาไม่มันไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรกับเรามันมีจะสร้างความทุกข์ให้กับเราร่างกายมันก็มันเป็นของอนิจจ์ไม่เที่ยงเวทนาสัญญามันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อก่อนเราหนอ่มันตอนเราสามารถเอาช่วงที่มันดีมาให้ความสุขเราแต่ช่วงที่มันให้ความทุกข์เราเราก็ไม่อยากจะเจอมัน พอเราปฏิบัติทำแล้วเราพิจาริญแล้วมันส่วนใหญ่มันจะมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเราก็เลยเบื่อมั น, นไม่อยากได้มันนะคุณมู่าครับการที่เราพยายามรู้สึกตัวอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันหรือเราพยายามนั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งอะไรคือสัจธรรมคะรบ ก, กวนท่านอาจารย์คะ่ะมันถา ม, ถามอะไร การเลือกการให้เรามีรู้ตัวอยู่ตเราแบบนี้เป็นการเจริญสติเพื่อควบคุมใจไม่ให้เราคิดฟุง้งซ่านเข้าใจเราไม่คิดปูแต่งใจเราจะเบาใจเย็นจะมีความสุขอันนี้จะเรียกว่าเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งก็ได้คือความจรงิงแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิก็มาทําใจให้นิ่งให้สงบไม่คิดเลยเมื่อจิตนิ่งสงบจิตก็จะมีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมอีกอย่างหนึ่งสัจจะก็คือความจรงิง ทำก็คือทำที่เป็นความจริงความจริงก็คือความจริงที่เกิดจากการเจริญสติก็คือทําให้ใจเราเบาทําให้ใจเราเย็นสบายไม่พลุซันไม่เครียดการนั่งสมาธิก็จะทําให้ใจเรานิ่งทําให้เรามีความสุขที่เกิดจากความนี่งอันนี้ก็เป็นสัจธรรมคุณเล็กครับ ขอเรียนถามคําถามอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ในโลกและวัาตฏสงสารนี้แล้วนิจจังสุ ข, ขังอัตตามีอยู่ในที่ใดคะก็มีอยู่ที่นิพพานแต่เราไม่เรล่นนิพพานวพรานิจจังสุ ข, ขังนะนิพพานก็เป็นนิพพานนิพพานที่อยู่นอกเหนือนโลกข อ, อกของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นอกเหนือ น, นอกของนิจจังสุขังอนัตตานะ คุณสุภาพรครับเราควรทําใจอย่างไรเมื่อลูกไม่เชื่อดื้อค่ะคับอาจารย์ครับก็ต้องปล่อยเข้าไปนะปตามเรื่องของเขาเราเป็นครูสอนนักเรียนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขาให้เขาเชื่อและอย่างมากก็สงสารเขาเวลาที่เขาไปทําข้อสอบเขาจะสอบตกเท่านั้นเองก็สงเพศนิทานไปทั้งนี้ลูกที่ไม่เชื่อให้การห้ามปามของเราเราอยากจะไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทำ วันหนึ่งเขาก็จะต้องเจอกั บ, กบผลนับที่ในการกระทําของเขาเท่านั้นเองคุณวีนาครับถามพระอาจารย์ว่าถ้าปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศินห้าอย่างเดียวไม่ได้รักษาสินแปดจะสามารถนําไปสู่นิพพานได้ไหมคะหรือต้องรักษาสินแปดจึงจะไปนิพพานได้ครับเอาสินอย่างเดียวไม่ไปไม่ได้เนาะ ศีลเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีสมาธิและสมาธิก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีปัญญามันต้องมีทั้งสาส่วนต้องมีศีลสมาธิและปัญญาถึงจะสามารถที่จะพาให้เราไปนิพพานได้คุณนิพาครับถามพระอาจารย์ว่าคนแก่ทาไมชอบเห็นคนมายืนในบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างคะก็เป็นจินตนกาการของขงจื คุณพีครับกับเรียนถามอาจารย์ครับการซื้อหุ้นธุรกิจที่ทำปลาทูน่ากระป๋องบาปไหมครับก็แล้วแต่เราจะจะแปลความหมายของมันถ้าเราไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับความตายของสัตว์คือปลาทูน่าเราก็อยากไปซื้อหุ้นธุรกิจเพราะเราก็ถือว่าเราได้รับประโยชน์าาาจากการฆ่าปล า, าทูน่ามาแต่เนี่โลกนี้มันเป็นโลกที่มันเกี่ยวข้องกันหมดถ้าเราที เราไปคิดมากๆมันจะทําอะไรไม่ได้เลยไปฝากเงินธนาคารก็ไม่ได้มธนาคารปล่อยปล่อยคู่ให้กับบริษัทที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนกินดอลบี่อย่างธนาคารคุณก็ถือว่าคุณก็มีร่วมส่วนส่วนร่วมนั่นอยู่ที่คุณจะว่ามันจะจะวาดวางกรอบของมันกว้างไปขนาดไหนถ้าคุณวางกรอบใกล้ๆแว่าเป็นธนาคารเราเอาเงินฝากเขาเข้าเขยังเงินฝากไปทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องเราเขาให้เราไม่ได้ไปสั่งเขาให้ทําบาปเพื่อให้เอา เงินมาอันนี้นเราก็จะไม่บาปถ้าเราอยากจะบริสุดเต็มที่ก็อยากใช้เงินไปอยู่ในป่าเป็นแบบพระเนี่ยไม่ไปยุ่งเดีย่ยพระก็โน่เนี่ยเดี๋ยวพระก็เวลาสร้างกุฏิอาจจะต้องขุดดินขุดดินก็จะต้องไปขุดถูกถูกไสนมไสเดือนขึ้นมาทำให้ไสเดือนตายอย่างทางที่ดีทสุดก็อย่ามาเกิดเลยดีที่สุดถ้าคุณอยากจะบริสุดเต็มที่ไม่ทําบาปเลยก็อย่ามาเกิดดีที่สุด แต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่มันก็บางทีมันก็มีเรื่องที่มันสุนวิสัยเรื่องที่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายแต่มันเป็นเรื่องผลปลอยหน้าที่เกิดตามมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปคุณพีเคครับหากทิพย์พักของเราห้ามให้อาหารสุนัขจรจัดแต่ในใจนึกสงสารแอบให้เป็นครั้งคราวถือว่าผิดไหมครับก็บิดกดเขาเลยซึ่งขาจะมีเหตุผลว่าทำไมไม่ให้เราทํา วันหนึ่งก็อาจจะไม่อยากให้สุนัขเข้ามามามาสร้างปัญหาให้กับที่ครที่อยู่มาได้ถ้าเราไปให้อาหารเดียมันก็ติดใจมันก็จะกลับมาหรืออะไรแล้วก็อาจจะมากัดคนนั้นกัดคนนี้ก็ได้เขาต้อมีกฎยังมีระเบียบการที่เราไปไม่ไปทําตามกฎระเบียบก็คือว่าเราทํา้องก็ผิดผิดกฎ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกับรัมมัสการพระอาจารย์ค่ะจะอธิบายให้กับสามีชาวต่างชาติเข้าใจได้ยังไงคะว่าในขณะที่เราอ่านหนังสือธรรมะนั่งฟังธรรมะนั่งสมาธิเขาจะถามว่าสนใจอะไรนักหนาเธอได้อะไรจากการทำสิ่งนี้เพราะเขาไม่ได้นับถือศาสนาใดๆเลยค่ะเมก็เป็นการเป็นการเรียนรู้วิธีที่จะทาให้จิตเราสงบไม่เครียดไม่มีไม่มีความทุกข์นั่นเอง คำสอนของพระพุทธ ศ, ศาสนามีไว้เพื่อดับความทุกข์ดับความเครียดในใจคุณธนวัลครับบางคนเกิดมามีฐานะร่ำรวยบางคนมีฐานะยากจนเกิดจากบุญที่เราสะสมมาจากชาติที่แล้วใช่ไหมเจ้าคะก็มีส่วนนะบุญที่เราเคยทามานี่มันก็จะเป็นมาทำให้ชาตินี้ของเรานี้ดีกว่ามีมีทรัพสมบัติติดตัวมาอย่าง พุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็ทําบุญอย่างมากมายเสียสลากใครอยากจะได้อะไรก็ให้หมไม่ห่วงพอตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์พอมันเกิดก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธาตาัตถะคุณสมพรครับทุกวันนี้สุขใจกับการเห็นตัวรู้ตัวกิเลส ข, ของตัวเองยิ่งดูยิ่งเห็นน้องกลับสาธุพระธรรมของพระอาจารย์ถ้าไม่ได้ธรรมะของพระอาจารย์ก็ไม่เห็นกิเลส แม้จะอ่านตำรับตำราธรรมะมาเยอะก็ยังไม่ถึงธรรมะคงยังมีคนอื่นอีกเยอะที่มีอาการเช่นเดียวกับโยมทุกวันนี้ดีใจมากถ้าเห็นธรรมโดยธาตุรู้ที่ไดจากการเห็นตัวจิตของตัวเองครับอ๋อนี่ได้งานผลครับอนนมลลี่สมพรเขียนต่อครับการใช้ชีวิตแต่ละวันบางทีก็ยอมรับว่าธาตุรู้ไม่แข็งแรงอาจจะลืมพุโทโธตัวสมาธิจึงอ่อนกำลังตาม แต่เสมือนคล้ายกับเข้าไปอยู่ในโหมดของการไม่ยึดติดตัวธาตุรู้อย่างนี้อย่างไหนจะถูกต้องกว่ากันในทางธรรมระหว่างต้องรู้จิตรู้ธาตุตัวรู้ของตัวเองตลอดเวลากับหลุดไม่ได้ดูตัวรู้แต่เสมือนคือไม่ไปยึดติดเอาตัวรู้เอามาเอาเหมือนกันไม่ใช่เป็นการแก้ตัวแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างไหนจะถูกต้องกว่ากันระหว่างรู้กับไม่รู้รู้เหมือนธาตุรู้ตึงจิต ตึงเพราะรู้แต่พอลืมรู้จิตเบาเพราะจิตไม่ไปเกาะยึดครับคือถ้าเรื่องนี้ให้เรารู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็รู้เฉยๆอยาให้อยากไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงกับสิ่งที่เรารู้ถ้าเกิดความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องหยุดมันนะเนี่ยความหมายก็มีแค่นี้ให้รู้ว่าใจของเรารู้เฉยๆรู้ว่ารู้ด้วยความโลภรู้ด้วยความโกรรู้ด้วยความห ถ้ามีความโลภความโกรธความมุงปรากฏเราก็ต้องหยุดมัญญาได้เช่นเห็นทองคำเนี่ยรู้เฉยๆไม่ยินดีร้ายหรือว่าโอ้ยอยากจะได้ซะแล้วอย่างนี้ก็ต้องต้องหยุดความโลภความอยากได้ทองคํำนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็ น, ปนตาละวเป็นอนิจจธรรทุกขั ง, งนั่นตาได้มาแล้วไม่สุขนะได้มาแล้วจะทุกขเนี่ยเราจะต้องดูการรักษาต้องกัวงวลกับมัน คุณเล็กครับกราบน้ำสการท่านอาจารย์อนิจจังทุกถังอนัตตาไม่อยู่ในโลกแล้วว่าต๋าสงสารอ่ะนี่นี่ถามครับผมผมจะจะขอตอบอีกทีก็ได้ไม่ไดอาจจะตอบไม่ไม่ตองประเด็นถขาถามมาแล้วมันก็อาจจะขอคำถามขึ้นมะแล้วอนิจจังสุกานตามีอยู่ที่ใดก็ไม่หลุดในความหลงเราใช้อนิจังทุกขังอนัตตาเนี้มาเพื่อมาแก้ความหลง ใจของสารโลกอย่างพวกเราที่ยังไม่มีปัญญานี้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจสุคังมันตารางบโยสละเสรสนนิจจมิสุขังมัตตาร่างกายหลนี้เป็นนิจจสุขงงนนังขมันตาแต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นอันนิจจทุกขังมันตาอันนี้ตอบนี้น่าจะถูกกว่าส่วน้นยี่พานนี้ไม่มีไม่มีความโลภความโกรธความไม่มีอะไรเป็นแต่สัตว์แำลังรู้แล้น ก, ก็มีความสงบ คุณมณิสาครับสมัยก่อนมีหนังสืออชัชญากรรมคนที่ดูบ่อยๆต้องมีจิตแข็งมากถ้าดูบ่อยๆจะทำให้ปรงได้ไหมเจ้าค้ า, าอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นอัจจรกรรมแบบไห น, นมันดูแล้วมันจะทำให้เราบัวที่มขึ้นมาก็ได้อย่าท่านดูเพื่อให้เราปรงว่าความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคน จะยังทั้ให้เราเราไม่รู้สึกกัวตาก็ก็โอเคต้องราจาักแยกแยะนะไม่ใช่วยอยู่แลจะทําให้เราโอเที่ตามที่เราดูฆ่าคนได้อย่างโอเที่อย่างนี้ก็ไม่ถูกคุณสมพรครับหากจิตเครียดธาตุรู้ตึงเกิดความจากความเหนื่อยล้าของร่างกายได้ไหมครับบางทีพอร่างกายเหนื่อยอันเกิดจากมีสิ่งร้ามากระทบประกอบกับร่างกายมีความเหนื่อยล้าประกอบ เลยทําให้หงุดหงิดเอาได้ง่ายเอามากๆต้องแก้อย่างไรครับก็เป็นเวลาร่างกายมันมันมีความเหนื่อยล้าก็เป็นมีทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะอาจจะมีปฏิกิริยาต่อต้านอยากให้มันความเหนื่ลานี้หายไปมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความเครียดขึ้นมาในใจก็ต้องฝึกกุศลนาว่า ไม่ธนามันก็เป็นอนิจจังทุกขะอนันตตาที่บางทีเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเกิดเราก็ต้องใช้สติปัญญาสอนใจให้อยู่เฉยๆให้อยู่กับมาณให้มันสักแต่ว่ารู้อย่าไปเกิดความอยากให้มันหายคุณยิ้มครับถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ระลึกอยู่ตลอดว่าจะขอไม่เกิดอีกไม่ว่าจะเกิดมาสุขหรือทุกข์ จะเป็นไปได้หรือไม่คะหรือว่าต้องเกิดมาอีกตามบุญบาปที่เคยทํามาคะขอไม่ได้หรอกขอไม่เกลายไปได้ต้องมาอยู่เท็จที่ทําให้เรามาเกิดเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆคุณกรมิดครับ การามาสการท่านอาจารย์ผมเป็นหมอเห็นคนตายตลอดเวลาจนเวลาดูอสุภะหรือพิจารณาร่างกายก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกสลดอะไรเพราะเห็นจนเป็นเรื่องธรรมดาควรทําอย่างไรดีครับมันก็เป็นเหมือนยาเวลาที่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคภยัยแค่เจ็บ ย, ยาก็าไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่ ถ, ถ้าเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี้ก็ต้องเอายาม า, ม า, าระงับอาการเจ็บไข้ได้ป่วย การเห็นความตายเห็นอสุภานี้ก็เหมือนกันมันต้องรลอยให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความกลัวตายขึ้นมาเราต้องเอาเอาสภาพของความตายนี่มาสอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาต้องตายกันทุกคนหรือเวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราจเราต้องการระ ง, งับ ม, มันตอนนั้นหละเราถึงจะใช้อสุภามาระ ง, งับ ม, มันได้แต่หมอส่วนใหญ่ไม่ใช้มันใช่ไหม เวลาทํางานก็เห็นว่สุภาพในเวลาออกไปเที่ยวอาบบนวดไปเที่ยวบาเที่ยวขับก็เริ่มว่าสุภาพไม่หลุดเลยมีแต่สุภาพนั่นเลยนั่นแหะพราใช้ไม่ถูกเวลาไนมียาแต่ไม่ใช้ถูกเวลาเวลาร่างกายไม่เป็นไรก็มาใช้กินมันมันก็ไม่เห็นผลทอะไหรเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เอามากินมันก็ไม่หายใโรค คุณสมพรครับจะทราบได้อย่างไรว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ดูได้จากตรงไหนครับจะได้นําคําแนะนำพระอาจารย์มาดูตัวเองครับก็แล้วแต่ว่าเราเราจะรู้ว่าเราเรายึดมั่นถือมั่นกับอะไรเงินทองเรายึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าเรามายึดมั่นถือมั่นก็ไปจากเนี่ก็บไว้ที่มีวิ่เท่าที่จำเป็นจะต้องใช้ท่าต้องกินเทนั้นส่วนหนึ่งก็ตายไปก็ไปไม่ได้เก็บไว้ทําไมอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเรายึดมั่นถือมั่นในเงินทอง ที่มันทำไม่ถูกคำจำเป็นจะต้องมีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ภรรยาเราเรายึดมั่นถือมัน่นหัวภรรยาเราหรือเปล่าถ้าเรามีภรรยายกให้คนอื่นได้ไหมถ้าคนอื่นก็มาขออันนี้คก็เหมือนต้องไปสํายอมเมื่อแต่ลูกก็มาขอมาขอลูกก็ยกให้ชูชกมายึดมัน่นถือมันนะ่นในลูกลจะมีคนมาขอมีด้วยซ้ำไปมัน่นตัวศทวดามาห้าม ย้ายยกให้หมดเนี่ยนั่นแหะการยเรื่องเป็นการทําทานไงทําทาน ค, คุณวีระวันครับเรื่องสัมผัสที่หกมีจริงไหมคะหรือเป็นเหตุบังเอิญครับมีเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องจิตอภินญาความสามารถพิเศษของจิตที่สามารถที่จะไปรับรู้เรื่องที่ร่างกายไม่สามารถเห็นได้รู้ได้ เช่นสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ผู้ที่ น, วน่วงรับไปแล้วได้สามารถติดต่อกับเทวดาต่างๆผู้ที่ไม่มีร่างกายได้สามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์สามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เช่นเราตันคิดอะไรอยู่นี่มันเป็นเหมือนความคิดของเราเนี่เป็นเหมือนกับเป็นกัำเหมือนกับการแพร่ขยายการกระจายเสียงนะเมันกระจาย ความคิดของเรานี้บอบคิดมาไ ม, มันก็เป็นกระแสออมากระแสก็เป็นเหมือนกระแสที่เราใช้กระจายเสียงคนที่ก็มีพรังมีความสามารถก็าจะเขาจะรับาารู้ว่าตานี้กำลังคิดอะไรได้หรือร ะ, ะลึกชาญได้อันนี้ก็เรียกเรียกว่าเป็นสัมพันธีหกก็ได้แต่ไม่ใช่เกิดกับคนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมนะมี ม, มีมีน้อยมากคนที่มีอภิน ญ, ญางและมีความสามารถพิเศษนี เป็นประมาณไม่ประมาณทักร้อยละห้าที่จะมีความสามารถในทำนี้นะคุณอมรครับหลังจากออกจากสมาธิถึงค่อยเกิดปัญญาขึ้นทีหลังสามารถเกิดได้ไหมเจ้าคะพอนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าไม่เดินปัญญาเจ้าคะ่ะเพราะปัญญาเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะปัญญาเป็นการเรียนรู้เราต้องศึกษาอยากจะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอนิจจารา่างกายก็ต้องไปศึกษาว่าร่างกายนี้ มันเป็นอนิจจ์เลยไม่มันเปลี่ยนแปลงเลยไม่หรือมันเหมือนเดิมตั้งแต่มันเกิดมามันเหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนเดิมใช่เราเกิดมาก็เป็นทารกแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยแสดงว่าร่างกายนี้มันมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่เที่ยมมันเป็นอนิจจ์อันนี้ก็คือการศึกษาถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนกันเราไปเรียนทั้งสิ้เราไปลองเรียนไปเรียนไปหาอะไรก็ไปหาปัญญา ปัญหาทางวิชาต่างๆอยากจะคิดเลขก็ต้องไปเรียนวิธีคิดเลขลบหนึ่งสองสามลบลบคูณหารอะไรไปอันนี้ก็เป็นปัญญาแต่เราต้องเรียนอันนี้ก็หมายถึงปัญญาทางธรรมเราก็ต้องเรียนสิ่งที่เราต้องเรียนก็มีแค่สามข้อก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับร่างกายของเราและจิตใจของเราคุณปฏิมาครับ การนักวิชการครับเพียงแต่จิตคิดอกุศลแต่ยังไม่ได้แสดงออกทางกายหรือว่าจะจะเป็นกรรมหรือไม่ครับก็เป็นเป็นมโนกรรมไงแต่มันยังไม่เป็นบาปยังไม่เป็นบาปเพราะเรายังไม่ได้ไปทำร้ายผู้สร้างความเสียหายให้กับผู้แต่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอกุศลก็อกุศลลกรรมทาไม่ใจเราไม่สบายขึ้นไม่ดีใจเราก็จะไม่สบายขึ้นมา คุณมาราทรีครับคนที่มีสติไม่ดีจะมีโอกาสพ้นจากวิบากกรรมได้อย่างไรเพราะไม่มีสติหรือปัญญาที่จะทําบุญได้เลยครับก็าสามารถฝึกสติได้คนทุกคนไม่ช้าก็แล้วก็จะมีความสามารถที่จะฝึกสติได้แต่ว่าผู้หลายนั้นก็แล้วแต่บุญกรรมของตัวเองนะคุณประชาครับบางคนบอกว่าจําเป็นต้องทําความชั่วเพราะต้องกัดกันอยู่กับคนอื่น แบบนี้ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ครับควรทําอย่างไรครับทำเชื่อกับใครทำเชื่อกับคนที่เรามีบุญคุณกับเราเลยมีการอยากจะให้คนที่เราทําเป็นบุญทําบุญทบคุณให้กับเขามาทำเชื่อกับเราบ้างไม่มีหรอกการการทําความเชื่อไม่ว่ากับใครก็ตามมันถือว่า อ, อ๋ อ, ข อ, ขอเขาจะเข้าใจความหมายผิด น, นะทําเชื่อพราะกตัญยูกับผู้เช่นพ่อแม่ให้ไป ไปมีเมียนมีเมียน้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องตอบแทนมันคุณของพ่อแม่อันนี้ก็ผิดไม่ควรทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ควรทำแม้แต่แม้แต่ผู้มีความประตันยูจะขอให้เราทำเราก็ไม่ควรทำครับคุณพิมพ์ชนกครับ ตอนเป็นโรคหมอนรองกระดูกที่เอวปลิ้นแต่นอนบนท็อปเปอร์ยางพาราสูงประมาณสองนิ้วบนพื้นเพราะนอนกับเสือ่อาบางๆไม่ค่อยได้ค่ะเพราะจะปวดตามมา<ผ>มากอันนี้อาจารย์มันถือ<า>สินแบนะถ้าไม่สบายก็ยกเว้นได้ถ้าเป็นเความจำเป็นที่จะรักษาลางกายไม่ได้ทำเพื่อให้เราสุขให้เศรากับความสุขจากการนอ น, ท, นที่นั่งี่นอนที่สุขสบายอันนี้ก็อนุโลมได้ คุณหลินครับทําไมจิตภายในถึงทะเลาะ ก, กันได้เจ้าคะจริงๆเรามีดวงจิตเดียวทําไมเหมือนมีหลายดวงจิตเจ้าคะ อ, อจิตของเรามันไปทางสองทางเลยกิเลสหนึงจิตเราไปทางหนึ่งธรรมะหนึ่งจิตเราไปทางหนึ่งมันถึงทะเลาะกันธรรมะบอกไปปฏิบัติธรรมดีกว่ากิเลสบอกไปเที่ยวดีกว่ามันจะต่อสู้กันมูตาบอกว่าทํากับกิเลสนี่เป็นคู่คู่ต่อสู้กัน คุณจุ๋มครับได้ไปเอาแมวจรมาเลี้ยงแล้วเขาทําความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านเราจะเอาเขากลับไปไว้ที่เดิมจะบาปไหมคะก็ไม่บาปเพียงแต่เราก็ขาดความเมตตาไปไม่เมตตาเขาต่อไปไหให้ขเขาอยู่ต่างสภาพของเขาตามบุญตามกรรมของเขาไปไม่บาปแต่เขาไม่ไม่ได้บุญไม่ได้ทําำบุญถ้ามาเรื่องต่อก็ได้บุญ าหาวิธีเลี้ยงที่ไม่ทําให้เขา้าทำให้เดือดร้อนชาวบ้านไม่ได้หนึของที่เรานักสัตว์ที่เราลัก บ, บางทีบางตัวเรามันนอนบนเตียงเรายังทําได้เลยถ้าเราอยากจะมีความเมตตาอยากจะทําบุญก็อยากไปปล่อยมันเลยหรือท่านเลียงให้มั น, นแข็งแรงก่อนแล้วไปหาคนที่เขจะรับเลี้ยงต่อให้ได้ก็ไปหรือถ้ามันทำไม่ได้จริงๆจะไปปล่อยก็ไม่บาปแต่ว่ามันไม่ได้บุญ ไม่ได้ทดคุณชมชนครับจิตมักน้อมถึงความหมายในสี่บทสูตรคือปฐมพุทธภาสิตาคาถาปัจฉิมพุทโววาฏปาถะอภินหะปาจเวกและอนัตตลกขณะสตรเสมอเสมอเกิดขึ้นเองแบบนี้เป็นสมาธิหรือเป็นธรรมานุสติกรรมฐานได้คะอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติก็ได้ มีการนําเลถึงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าครับแบบนี้ดีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ดีถ้ากินเล่าถึงธรรมมากมันก็จะได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวแต่ควรจะสวดจนนั้นเราต้องเข้าใจคําแปลเพื่อที่จะดีกว่าถ้าไม่เข้าใจคําแปลสวดไปก็จะได้เพียงแต่สติหรือสมาธิแต่ถ้าเราเข้าใจความแปแลเราก็จะได้ปัญญาตามไปด้วยครับคุณ ทีคัฒนาครับการที่เรามีศรัทธาขับรถไปถวายปัจจัยด้วยตนเองที่วัดที่ไกลๆ ก, กับการโอนเงินทองทางออนไลน์จะได้อ น, นิสง์ต่างกันไหมเจ้าคะ่ะแต่ทําด้วยเงินจํานวนเท่ากันเจ้าคะ่ะไม่ต่างกันนะสิ่ที่เราได้ได้มากขึ้นจากการที่เราขับรถไปเองก็คือเราได้ความเพียรเพรว่าเพิ่มมาอีกอันคราพยายามหั่นเพียรอถ้าเราโอนเงินผ่านมือถือ น, นี่เราก็ไม่ต้องใช้ความเพียรมา แต่บุญที่เราเงินที่เราบอยจะเท่ากันบุญที่เราได้รับก็จะเท่ากันอาจารย์คุณวัสนาบอกว่าเห็นแล้วนะครับอสุภะครับพออืดระ อ, ระอมทันทีเลยครับคุณออนต์นงครับ ปกติโยมจะสามารถนั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อรอบแม้จะพยายามที่จะนั่งภาวนาให้ได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่พอเวลาใกล้ครบหนึ่งชั่วโมงเหมือนเราจะถอนออกจากความสงบโดยอัตโนมัติโยมอยากทราบขอคําอยากกลาวขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าโยมควรทําอย่างไรเพื่อทําใหสา้สามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นกว่าเดิมโดยไม่กระสับกระส่ายหรือให้มีกําลังนั่งสมาธิได้นานกว่าเดิมคะก็เราจะต้องเปลี่ยนจากการถ้าเรานั่งดูลมใช้ใช้ว เราก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์นั้นเปลี่ยนเป็นการทำบริกรรมไปเพื่อทําให้ใจนี้มันมีสติภาพมากขึ้นแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้ของเขาไม่ต้องสวดบทที่ปีเสวไปแล้วจบก็ได้สวดโดยที่เราไม่ต้องขยับร่างกายนั่งหลับตาสวดไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะเริ่มมีกํำลังมีสติมากขึ้นความอยากแล้วนั่งมันก็จะหายไปมันก็จะนั่งต่อไปได้ แต่ยังนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆถ้ามันอยากจะลุบพอมันอยากจะลุบก็จะทนไม้ไหวคุณมาริกาครับสอบถามพระอาจารย์ค่ะการทําสมาธิไม่จําเป็นต้องหลับตาก็ได้ใช่ไหมคะเพียงตามรู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นการทําสมาธิได้ตลอดใช่ไหมคะถ้าหลับตาได้มันจะสบายกว่าแต่ถ้ า, าหลับตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไร็นการจเจริญสติไปก่อนถ้าจิตมันจะไม่รวมถ้ายังเลืมตาอยู่ จะได้มันรวมง่ายกว่าหรือหลับตานี่มันจะรวมง่ายกว่าเลื่ตาเลื่ตาจะรวมได้เหมือนการสมบได้เหมือนกั น, ก น, น, กนแต่มันจะยากกว่าการที่เราหลับตาเพราะการเลืมตานี้ใจเรายังออกไปข้างนอกอยู่ยังออกไปทางตาอยู่แล้วต้องต้องการปิดทวารทั้งห้าตาจ ม, มูจกจมูกกายไม่ให้ใจมันออกไปเราบรู้เรื่องราวภายนอกแล้เ ร, รับรูเรื่องราวภายนอกมันจะทําให้ใจทํางานและใจก็จะไม่สงบได้ยาก คุณสุกัญญาครับคนที่ชอบไปดูดวงกับคนที่ดูดวงให้คนอื่นตามหลักพระพุทธศาสนาผิดไหมครับตลกด้วยกันคูัคุณมรดิกาครับเราทําความสะอาดบ้านต้องไล่พวกจิ้งจกมแมลงสาบถือเป็นการเบียดเบี er นยนสาบไหมคะมันก็เป็นไม่ของเรามันมาเบียดเบียนเราบางที่เราว่ต้องการที่จะให้มันย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนกัน มีการจัดระเบียบมากกว่าคุณอัชราครับนั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งไม่ฟุ้งประมาณสิบนาทีแล้วเผลอหลับขณะหลับไปรู้สึกถึงกายที่โยกไหวรู้ตัวเองว่าหลับพยายามดึงสติกลับมานั่งต่อหรือเราควรหันไปเดินจงกรมแล้วค่อยมานั่งสมาธิต่อคะ่ะก็แล้วแต่เราทําอย่างนั้นได้ก็ทําอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราเน้นต่อได้นะไม่หลับเราก็นั่งต่อ ถ้าเรามู้สร็ว่านั่งอง่์กแล้วมันจะหลับแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบจบควกกมประการก็ได้คุณเอกชัยครับการฝึกสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาใช้วิธีดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เราการฝึกใช้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการฝึกสมถะภาวนาทาใจสงบเป็นสมาธิทำวิปัสนาภาวนานี้ต้องพิจารณาไตรลักษ ในเรื่องของกายเวทนานลจิตตาหนหลู่หลักเอยถึงจะเป็นวิปัสสนาภาวนะพิจารณาดูใจลึในกายในเวทนาแลนจิตคุณนัตี้ครับข้อที่หนึ่งครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนมีสมาธิมากกว่าปัญญาหรือปัญญามากกว่าสมาธิครับเอ่อเร า, เราถ้าจิตเราสงบเราก็มีสมาธิ ถ้าจิตเราเห็นตายแล้วเราก็มีปัญญาก็ดูต ร, ง, ง, ราางนั้นนเนีัยจิตเราสงบนิ่ใงเฉยๆไหยเห็นอะไรสักแต่รู้ได้ไั้มไม่คิดปูแต่งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้หรอเปล่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสมาธิถ้ามีปัญญาเราเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นตายแล้วเป็นคนอันนี้ก็ไม่เทียงนั้นก็ไม่เทียงอันนี้ก็ไมเสของเรอันนั้นก็ไม่หีองเราอันนี้ก็เรียกว่าเรามีปัญญา ข้อที่สองครับหากเราดูกายแล้วเห็นคนมาหยิบเอาของกินเราไปให้คนอื่นกินโดยไม่ได้รับอนุญาตมันเกิดจากมันเกิดอาการโมโหเพราะเราไปเห็นเราพยายามห้ามและคิดที่จะวางใจปล่อยวางแต่มันต่อหน้าต่อตาและเราก็หิวข้าวในใจปกติเราจะแบ่งเพื่อนตลอดแต่วันนี้ไม่อยากแบ่งใครมันเกิดจากอะไรคะเกิจากความโง่เนะ่ยเกิดจากความโงความโลภอยากจะเอาเก็บไว้ให้เรากินเองไม่อยากให้คนอื่นกินนะ คุณมีมีเจฟครับขอสอบถามพระอาจารย์ครับปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาสูงการสื่อสารสะดวกขึ้นการปฏิบัติจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์หรือไม่และการปาวรณาขอเป็นลูกศิษย์ผ่านข้อความและตอบรับบนข้อความตามยุคสมัยสามารถทําได้หรือไม่จําเป็นต้องไปกล่าววาจาต่อหน้าครูบาอาจารย์หรือไม่คะคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรทํางโน้ตทางถามต้องมีอาจารย์นั่นแหะจะเรียนหมอก็ต้อมีอาจารย์หมอมาสอนใช่ จะเรียนคณิตศาสตร์ก็ต้องมีอาจารย์ที่ชำนาญที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์มาสอนจะเรียนธรรมะก็ต้องมีคนที่รู้ธรรมะมาสอนเนทางการสอนสมัยนี้มันไม่มจําเป็นจะต้องมาเข้าห้องเรียนอยู่กับห้องเรียนเดียวกับครูบาอาจารย์นะสมัยนี้สา ม, มารถเรียนได้โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อ, าอ่านพระสูตรต่างๆของพระเจ้าถือว่าเรีศึกษาจากพระพทเจ้าโดยตรงนะเช่นท่านอ่านธรรมจัมาจากรบปรวัตนะสนินี้ก็แสดงว่าเรา กำลันศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมงคลประเสรนี่แล้วถือว่าเรามีพระพทธเจ้าเป็นอานนจารย์ของเราไหครับคุณเพชรบุรีครับพญานาคครุดสัตว์กึ่งเทพกึ่งเดรัจฉานมนุษย์ควรกราบไหว้บูชาหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากใจเราไหว้เขาก็ไม่เป็นการห้ามนะครับพุทธศาสนาตนน้เรามีความกรองลบกับสตรพสัตว์ทั้งปวง อยากจะเข้าลบใครก็ได้เท่านั้นถ้าทําตัวเป็นผู้ที่ต่ำที่สุดอ่อนน้อมกับ ท, กทุกสิ่ง ท, ทุกสัตว์คุณขันติดพงครับเห็นกับคิดแยกกันตรงไหนครับ เ, เห็นแบบไม่คิดอย่างเวลาเห็นภาพแล้วเราไม่คิดอะไรก็ไม่ว่าเห็นเฉยเฉยแต่ถ้าคิดว่าภาพนี้สวยนะน่ารักน่าดูก็กกเลยกเราคิดแล้ว คุณพี่ติพพลครับเจ้ากรรมนายเวรกับเวรกรรมอย่างเดียวกันไหมครับอันนี้มันเป็นคำที่เราหมายถึงวิบากกรรมที่มันเกิดกับเราเวลาเราทำกรรมอนใดไว้แล้วแม่ช้าก็แล้ววิบากกรรมคือผลของกรรมที่เราทำมันก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็เรียก ว, วิบากกรรมหล่านี้ว่าเป็นเจ้ า, รารกรรมนายเวรเรืยกเวรกรรมท่นั้นเองหมายถึงผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา เพราะว่าเขาเราอาจจะเคยไปสร้างความทุกข์ให้กับเขามาก่อนพชาตินี้พรุ่้เจอกันเขาก็ไปมาสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเราเราก็เรียกเขาว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราจะเรียกว่าเวนกรรมนะมันก็เหมือนกันเทัวเดียวกัน คุณธั ญ, ญรัตน์ครับการใส่บาท ส, สามารถนําเงินสดใส่ในย่าพระจะผิดวินัยส่งฆ์ไหมเจ้าค้าเราจะติดกรรมด้วยไหมคะโดยสมัย น, นี้สงก็มีแบบเป็นสมที่รับนับนับได้กับสงที่รับไม่ได้ก็ต้องถามท่านก่อนว่าถ้านรับนับปัจจัยได้ไหมถ้าท่านรับได้ก็ใส่เข้าไปถ้าหมดท่านรับไม่ได้บอกให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้แล้วก็ฝากกับลูกศิษย์ไว้คุณปุ้ยครับ ช่วงนี้ตื่นเร็วขึ้นเพื่อจะได้นั่งสมาธิสามสิบนาทีก่อนไปทำงานทุกวันทำให้เห็นความปวดทุกวันก็ภาวนาทุกวันบางทีก็ทนได้บางทีก็ขาดไปสองสามนาทีมันต้องอย่างไรจิตจึงจะรวมเร็วคะต้องมีสเตยเยอะๆนั่งรับใจไม่เผลอววะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยจิตมันก็จะสงบได้เลยวคุณสลีครับ ปฏิบัติธรรมเห็นโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับได้ตอนเก็บอารมณ์ที่วัดแต่พอกลับมาที่บ้านกลับทำไม่ได้ขอคำแนะนำค่ะปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวอยู่ค่ะก็สังเกตดูว่าที่เวลาที่เราอยู่วัดทำไมเราถึงเราถึงเก็บอารมณ์ได้นะก็พยายามใช้ใช้ใช้วิธีนั้นเวลาที่เรากลับมาที่บ้าน ในการไปฝึกไวเพื่อเอามาใช้ต่อไปไม่ใช่ใช้เฉพาะเวลาที่เราอยู่ที่วัดท่านั้นเองเราต้องการฝึกเพ่าที่เราจะสามารถเอามาใช้ได้ในทุกแห่งทุกคนคุณประชาครับถ้าเราเห็นคนถูกกลั่นแกล้งคนถูกแกล้งอยากให้เราช่วยแต่คนแกล้งไม่ต้องการให้เรายุ่งทางธรรมเราควรทำอย่างไรดีครับ ก็แล้วแต่เราเราบังการจะช่วยเขาแล้วก็เอาไปช่วยเราถ้าเราไม่อยากจะช่วยเขไม่อยากจะมีเรื่องแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยเขาคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณอนันนงครับโยมขออนุ ญ, ญาตถามว่าบางครั้งโยมได้ยินคนรู้จักพูดชื่นชมตนเองยกตนเองเหมือนเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์และพิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็พยายามจะชี้แนะคําสอนที่บางครั้งฟังแล้วก็แปลก ซึ่งโยมก็จะมีความหงุดหงิดขึ้นมาบ้างในบางครั้งโยมขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าโยมควรจะวางใจไว้อย่างไรหรือทําอย่างไรเวลาได้ยินเรื่องราวจากบุคคลประเภทนี้คะก็ใช้อุเบกขาเลยเฉยๆไปก็ปล่อยเขาพูดไปส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เราก็ใช้หลักการลามะุนสุคือถ้าเราจะไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาพูดจริงเป็นจริงแล้วก็ทําหูไหว้หูไปค่ะ ปล่อยก็พูดไปไม่ต้องไปห้างไม่ต้องเกิดอาการหมุนหัวรำคาญเพราะเราห้ามก็ไม่ได้ถ้าาไม่อยากฟังก็เดินหนีไปก็แล้วกันครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o หก2้อยี่สิบแปดคนครับใน y o u t u หกร้อยแปดสิบสาคนในครับ h o าสิบเอ็ดคนครับวันนี้มีคนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันสามร้อยสิบสองคนครับอาจารย์ครับ วันนี้กระเตือนกันมาหน่อยฟังกันมาหน่อ ย, รอยครับก็ว่าอาิจจังมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาก็ขอยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาโลมสุนทรณาทำความธรรมทำาตอบปัญหากันไม่ว่าคนจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็นอยแล้วนําออกไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านน้อยมีแต่ความสุขความเจริญ น, นักนำเอาทำที่ได้ยินท่านที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพื่พิพจารณานัไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุขอาลาคุณหมอแท่านผู้ชมรู้สึกไว้เพียท่านี้แล้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรในอาทิตย์หน้าก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยขอจเจริญพรครับกลับกับคุณอาจารย์ครับ